พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันชาวนาเนี่ดูสิหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินถ้าฝนฟ้าอากาศไม่อื้ออํานวยชาวนาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงกระเสือกกระสนไม่รู้จะปักดำนาทําทไรทํานาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ยังไงพอลูกหลานเก็บใข้ได้ป่วยก็อาศัยนี่แหละอาศัย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 กิเลสก็รู้สึกว่าคดเหี่ยวลงไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะเอาอยัางไงเป็นนาทีของพวกเราสําหรับฝ่ายพระสงฆ์อยู่ข้างในแต่สําหรับฆราวาสญาติโยมแล้วก็มันก็ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพมั่นขยันให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเศรษฐกิจพอเพียง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 เนือกปเหนือกว่าปริญญาเอกอีกะแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นว่าอัเเขะผู้ไม่ต้องศึกษาไปว่าจบเพียงเท่านั้นคือพระหันไม่ต้องศึกษาอีกสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นสิ่งที่ส่วนเกินรือว่าส่วนที่บา ร, รมีเก่าของตัวเองในอนดีตชาติที่มาให้เกื้อกูลหนุนอย่างที่ว่าพระโมคคลา